หลายคนในที่นี้คงเคยได้ิชื่อคุณสมเมศตันติวิศกุลเลขาธิการมุดฑิชัยพัฒนาคุณสมเมศเคยเล่านะถึงชีวิตของตัวเองว่าครั้งหนึ่งนี่เคยจนมากนะแต่ก็เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุด ช่วงที่จนเนี่ยนะกินข้าวะละมือ้อมีเสื้อผ้าแค่สองสามชิ้นทุกเช้าต้องตื่นออกไปหากินเดินไกลๆนะสองสามชั่วโมงอ่สองสามกิโลที่พักก็แคบนะแค่สองคูณสองเมตรนะเรียกว่าจนมากนะ แต่ว่าก็เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดร่างกายก็ดีนะจิตใจก็ดีคนฟังก็งงนะคนสมัยก็เลยพูดว่าเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะที่พูดนี่มาถึงตอนบวชนะตอนที่ผมบวชนะช่วงที่หลายคนก็คงประสบนะ ความรู้สึกคล้ายกันก็คือว่าช่วงที่บวชหรือว่าช่วงที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสะดวกสบายไม่มากนักนะเดินการกินการอยู่ก็บางครั้งก็อาจจะอัตะคัดนะแต่อะไรที่ทำให้ ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะสามารถที่จะอยู่แบบนั้นได้สามารถที่จะบำเพ็ญชีวิตพรหมจรรย์ได้สิ่งที่ทำให้ชีวิตเหล่านั้นอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีก็เพราะมีความสุขนะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ชื่อนักบวชหรือชื่อนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต่างจากชืงค์ค า, ารวะชื่องค า, ารวะทั่วไปรเราก็เรียกว่ากามโพคีกามโพคีก็คือว่าผู้บริโภคกามแต่ว่านักปฏิบัติธรรมหรือว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่ไม่มีกามหรือว่าวัตถุสิ่งเสพที่น่าพอใจมาปลิลเปิล แต่สิ่งที่ทำให้อยู่ได้นานนะก็คือความสุขนะความสุขนี่มันเป็นตัวหล่อเลี้ยงแต่เป็นความสุขคนละแบบจากความสุขที่หล่อเลี้ยงชีวิตคารวาดหรือว่าขับเคลื่อนชีวิตของคาราวาสให้เดินไปข้างหน้าความสุขของคาราวาดนี่ก็อาศัยการมัสุข แต่ว่าความสุขของนักบวชนะหรือนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นความสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายมาไม่ได้ปลนเปลือกกายและใจเท่าไหร่นะอาหารก็มีไม่มากแล้วก็เลือกไม่ได้นะที่อยู่ก็ไม่ได้สะดวกอะไรเล็กๆแสงสีก็ไม่มีมาปลนเปลือก ตาหูจมูกลิ้นแปลว่าความสุขใจนั่นแหละนะที่เกิดจากชีวิตที่เรียบง่ายรวมทั้งที่เกิดจากการภาวนามันช่วยทำให้สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขทางนังที่ในสายตาคนทั่วไปก็ถือว่าจนนะเาความสุข อย่างนี้นี่ก็เป็นความสุขใจซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่เร่งรีบทำให้ผ่อนคลายไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่เครียด รวนทั้งความสงบสงัดจากธรรมชาติแวดลอ้อมแล้วก็ที่สำคัญคือจากการภาวนาทำให้จิตใจมีสมาธิมีสติมีความรู้สึกตัวเกิดความรู้สึกโปร่งเบา ความสุขที่เกิดจากสิ่งเสพนะหรือว่าการมาสุขเนี่ยนะมันเป็นความสุขที่สัมผัสได้ง่ายแต่ว่ามันก็จืดจางได้เร็วแล้วก็มันมีค่ามันมีราคาค่างวดเช่นต้องไปซื้อมานันต้องมีเงินนะถ้าไม่มีเงินก็ไม่รู้จะไปหาความสุขชนิดนี้จากไหน แล้วก็บางทีก็เป็นโทษ น, ะนอกจากเหนื่อยจากการทำมาหาเงินแล้วก็กต้องไปแข่งขังกนกับคนอื่นเกิดศัตรูเกิดความขัดแยง้งหรือบางทีมันก็เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจนะเช่นพวกสิ่งเสพยาเสพติดอะไรพวกนี้เป็นต้น ความสุขจากชุดที่เรียมง่ายนะความสงบส ง, งัดนะมันก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะเรียกว่าเนคข ม, มสุขนะสุขจากเนคข ม, มะเนคข ม, มะคือการออกจากกามการปลอดจากสิ่งร่าเร้าย่อหย่วนในทางกามหรือว่าความไม่ไม่ติดใจในกามบนะางทีเขาก็แปลว่าการออกบวชนะ แต่ว่าไม่จาเปนนะ็นเพียงแค่พาตัวมาจากสิ่งร่ำเร้ า, ราย่อยวนในทางการแล้วก็มามีชีวิตที่เรียบง่ายมันก็ได้พบกับความสงบนะความสงบทางใจคนเราเนี่ยนะไม่ได้แค่ต้องการอาหารแล้วก็ปัจจัยสีเท่านั้นนะ เจตใจเราก็ต้องการความสุขด้วยาหากว่าปราศจากความสุขเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดความกระสับกระส่ายขึ้นมาแต่ความสุขที่คนส่วนใหญ่รู้จักนีก็คือการมาสุขคือสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจปลนเปลืยทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าไม่รู้จัก ความสุขที่ประนีตประเสริฐแล้วก็ละเอียดกว่า น, นั้นก็ทำให้จมอยู่ในกามสุขต่อเมื่อได้สัมผัสกับเนคขมมะสุขนะะถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีสุขที่ดีกว่า น, นั้น แต่ว่าถ้าหากยังไม่รู้จักเนคขมมาสุขนะแม้ว่าจะรู้ว่าการมาสุขเนี่ยมันมีโทษอย่างไรแต่ก็ไม่สามารถจะออกจากมันได้ไม่สามารถที่จะหลีกห่างออกจากมันได้ถึงแม้จะพยายามแค่ไหน เช่นพยายามที่จะไม่เสพไม่กินแต่ว่าไม่สามารถจะสัมผัสความสุขที่ปันีคกว่านั้นได้เนี่ยในส่วนก็จะหวนกลับมาอีกอันนี้พระเจ้าเองก็ตัดไว้เลยนะตัดไว้ว่าเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้แม้จะเห็นว่า กามเนี่ยมันมีโทษมากขับคล่องมากแต่ตราบใดที่ยังไม่ไม่ได้สัมผัสนะกับความสุขที่ประนีตความสุขที่ปลอดจากอากุศลธรรมตามนั้นก็ยังไม่อาจปฏิญญาว่าจะไม่หวนกลับมาหากามอีกต่อเมื่อได้สัมผัสกับความสุขที่ปราศจากกาม ความสุขที่ปลอดจากอกุศลธรรมความสุขที่ประเสริฐประณีตตามนั้นนะถึงจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เวียนกับมหากรรมคือสามารถจะละทิ้งได้พวกเราคงจำได้ตอนที่พระเจ้าได้ตรัสเทศน์สอนอนุปุปิกถาก็จะพูดถึงเรื่องทานอานิสวงของทาน ศีลซึ่งมีสวรรค์นะเป็นเป็นอนิสงส์สวรรค์ในที่นี้อาจจะหมายถึงสวรรค์บนฟ้าหรือว่าสวรรค์ในใจหรือสวรรค์ในชีวิตนี้ก็ได้หมายถึงความสุขทางาทางวัตถุมีความพร่องพร้อมบริบูรณ์ใจแล้วพระองค์ก็จะตัดถึงเรื่องโทษของกาม ก็คือท่อของสวรรค์นั่นแหละว่ามันมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างแต่ว่าถ้าตรัสเพียงเท่านี้เนี่ยก็คงไม่พอเพราะว่าแม้คนเราจะเห็นโท่ของกามแต่ว่าก็ไม่สามารถจะหลุดออกจากกามได้พอถึงตรัสข้อที่ห้านะคือว่าเนคขมมะอา น, นิสงส์ของเนคขมมะนั่นแหละคือทางที่จะออกจากกาม ได้คำมาถึงความสุขที่ปลอดจากกามความสุขที่ไม่มีกามเป็นเครื่องกระตุ้นคือต้องมีทางออกนะต้องมีสิ่งที่มาทดแทนได้คำมาเนี่ยคือสิ่งที่จะมาทดแทนกามได้ถ้าไม่ไม่ไม่มีสิ่งนี้มาทดแทนนะก็ยังต้องเวียนกลับไปหากามอีกก็ไปหาความสุขจากวัตถุกลับไปหาอ่า ความมั่งคั่งร่ำรวยชื่อเสียงดิ้นรนแสวงหาสิ่งนั้นต่อไปพ่ะพุทธองเคยเปรียบเทียบนะมันก็กวางตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในป่าเสร็จ แ, แล้วก็มีทุ่งหญ้าที่เขียวกจีมันก็ ลหลงไหลในทุ่งหญ้า น, นั้นก็ไปกินหญ้าแต่ว่ากินหญ้าด้วยความเพลิดเพลินก็เลยโดนพรานเนี่ยรอบยิงกลายเป็นอาหารต่อมามีกวางตัวอื่นเนี่ยรู้ว่าทุ่งหญ้า น, นี้อันตรายมันก็เลยหลบเข้าไปในป่าแต่ว่าในสุดก็หิวโหวย ทนไม่ได้ต้องกลับเข้ามาออกมากินหญ้าก็โดนพรานลอดยิงตายอีกมีกวางหลายตัวนะที่พยายามที่จะไม่กลับไปหาทุ่งหญ้าแต่อยู่ในป่าได้ไม่นานก็ต้องกลับมากลับออกมาแล้วก็โดนยิงตาย อันนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เห็นโวยของกามนะไอ้ทุงยาเ น, นี่ยก็เหมือนกับกามเห็นโวยของกามเพราะรู้ว่ามันอันตรายมันมีพรานก็คือตัวความทุกข์หรือตัวมานี่คอยเล่นงานก็เลยพยายามที่จะหลบเข้าไปในป่าป่านี่ก็หมายถึงการบวชชีวิตที่ปลอดจากกามแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะ พบกับความสุขที่จะมาที่ดีกว่าไอ้ทุ่งหญ้านี่นะัสสุก็ต้องเวียนกลับไปหาหญ้ากลับไปหาทุ่งหญ้าแล้วก็โดนพลันเล่นงานถึงชีวิตจะมีมีกวางตัวหนึ่งนะไม่เพียงแต่หลบไปในป่านะแต่ว่าสามารถที่จะดั น, ด น, ด น, ดนต้นจนกระทั่งไปเจอนะที่ที่มันมีอาหารบริบูรณ์ ที่ที่นายพรานเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงและนั่นแหละนะคือคำตอบที่ทำให้กวางตัวนั้นเนี่ยไม่ออกไปที่ทุงหญ้าอีกก็เรียกว่าพ้นจากอันตรายอันนี้ท่างก็เปลี่ยนว่านักบวชนะที่เมื่อ ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพรหมจรรย์ น, นะอยู่ไกลาจากกามแต่ว่าไม่ใช่ทำแค่นั้นแต่ยังสามารถจะบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งค้นพบความสุขที่ประณีตเมื่อค้นพบความสุขที่ประณีตก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลับออกไปหากาม การดำเนินชีวิตประจ์เป็นสิ่งที่ประเสริฐนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เป็นการมุ่งที่จะทําประโยชน์ตนแต่ว่าจะอยู่ได้เนี่ยต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสุขนะพุจ้าเพียงแต่ชี้เห็นว่าไอ้กามมาสุขเนี่ยมันมีโทษอย่างไรนะมันเป็นสิ่งที่คับค้องมันมีโทษมาก เหมือนกับมันให้ความสุขก็จริงแต่เป็นสุขที่เจอไปด้วยโทษนะเหมือนกับใต้ที่ทำด้วยยญ้าแห้งแม้ว่าจุดไฟให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าแสงสว่างนั้นก็หม ว, มวมัวไม่ใสทั้งแถมมีควันอีกไอควันนี่ก็ทำความระคายเคืองอันนี้เรียกว่ามีประโยชน์ก็จริงแต่โทษมากนี่คือลักษณะของการมาสุข ซึ่งยิ่งไปเสพด้วยความมัวเมานะความหลงตัวลืมตนแล้วเนี่ยก็อาจจ ะ, ะได้รับโทษเป่ยบเหมือนกับโดนนายพรานยิงถึงตายคือเราก็เห็นนะว่าคนที่ปล่อยให้ความกามาสุขเป็นเป็นนายเนี่ยเช่นเอาเงินเป็นสารณะเอาเงินเป็นใหญ่เนี่ย ประสบความวิบัติความหายนะมามากแล้วพุทธศาสนาะไม่ได้ปดิเสธความสุขนะแต่ว่าเห็นว่าการมาสุขที่ผู้คนนั้นหลงหลเนี่ยมันมีโทษโทษมากด้วยต้องเข้าไปหาต้องไปรู้จักสัมผัสกับความสุขที่ประเสริฐที่ประณีต ก, กว่า ชีวิตพรหมจันทร์ชีวิตนักบวชเนี่ยถ้าหากไม่มีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเนี่ยความสุขทางทางใจหรือความสุขที่เรียกว่าเนคขมัสสุขเนี่ยในสุดก็จะบวชได้ไม่นานเนี่ยถึงอยู่ก็อยู่ด้วยความความความทุกข์เรียกว่ากัดฟันอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าไปไหนไม่ได้ต้องกัดฟันอยู่และสุดท้ายก็อาจจะหักห้ามใจไม่ได้ ต้องไปทำสิ่งที่ผิดทั้งที่อยู่ในเพศผ้าเหลืองคือแทนที่จะเสื อ, อ, อกไปเสพกามอย่างคนทั่วไปก็เนื่องจากทนไม่ได้ก็จำทนอยู่แต่ว่าเนื่องจากจิตใจโหยหาความสุขแล้วก็ไม่รู้จักสุขที่ประณีตก็ต้องขวนกลับไปหาความสุขที่หยาบทาั้งที่ยังครองผ้าเหลืองอยู่อันนี้มันก็อาจจะเป็นอันตรายยิ่งถ้าไป อาเซบ์เทุนทาด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งเป็นโทษหนักเลยอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยยาคาถ้าจับไว้ไม่ดีนะมันก็บาดมื อ, อชีวิตพรหมจรรย์นเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็พาฉุดไปนรกได้ฉุดไปนรกคือว่ามันทำให้เกิดความทุกข์มากนะเพราะว่าการมาสุขก็ไม่ได้เสบส่วนสุขที่ประนีก็ไม่รู้จัก บางทีพระเจ้าเปลี่ยบเหมือนกับดุนฟืนนะที่สองข้างนี่มันถูกไฟเผาเป็นฐานแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นคูดนะมันเปื้อนคูดคือใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกเรานักบวชเนี่ยเราหันหลังนะให้กับการมาสุขแม้จะไม่ทั้งหมดนะ ยังยมีอาหารที่อร่อยกินนะยังมีธรรมชาติที่เพลิ น, พลนตาเพลินใจให้เราได้ได้ชื่นชมไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าการนะแต่ว่ามันเป็นการแบบน้อ ย, อยแต่แม้ก็นั้นก็ตามเนี่ยการที่เราจะอยู่หรือว่าใช้เพศพรมจรรย์นเนี่ยอย่างมีคุณค่าได้เนี่ยรวมทั้งมีความเพียรในการปฏิบัติเนี่ย มันต้องมีความสุขนะทางใจหรือเนคขมัสสุขเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงซึ่งเลือนถึงสุขจากสมาธิภาวนาสุขจากการบำเพ็ญทางจิตด้วยถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การอยู่ของพวกเรามันเต็ไมไได้วยความทุกข์มันเต็ไมไได้วยความรุ่มร้อนเพราะใจโหยหาการมาสุข เอาความสุขจากความสุขทางใจเนี่ยมันไม่ใช่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตประจัญตนเท่านั้นนะคนที่ต้องการทำความดีเช่นต้องการที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงก็ต้องมีความสุขแบบนี้เป็นตัวหล่อเลี้ยงด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมาน เสรแล้วก็ถูกกิเลสล่อเราย่โยนให้ต้องไปคดโกงถ้ามีคนจํานวนมากที่อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์จริตแต่สุดท้ายก็ต้องยอมทุจริตเพราะว่าเห็นคนถึงเขารวยกันเห็นคนถึงเขารวยเอารวยเอาแต่เรานี่จนนะเกิดความอิจฉาเขาหรือว่าอยากจะเป็นอย่างเขาที่อยากจะรวยอย่างเขาเพราะอะไรเพราะยังเห็น ยังหลงหลในกามสุขยังหลงหลในความสุขจากวัตถุทำไมถึงหลงไหลายก็เพราะตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประนีตความสุขที่เรียบง่ายได้คนที่เข้าถึงความสุขที่เรียบง่ายคนที่เข้าถึงความสุขที่ประนีตหรือเนคขามสุขเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอิจฉาข้าราชการที่ร่ารวยปพระการทุจริตเลย เขากลับเห็นเขอกลับสงสารด้วยสามมนุษย์พวกนี้เนี่ยกำลังพาช่วยสู่ความตกต่ําไหนจะทําชั่วทําบาปแล้วก็ไหนจะไปลงไหลเพลิดเพลินกับสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินแล้วคนที่จะซื่อสัตย์สุจริตได้หรือว่าจะดำรงตัวอยู่ในความดีได้เนี่ยอย่างยั่งยืนเนี่ยขอต้องมีความสุขทางใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ไม่งันเขาก็จะอยู่ไม่ได้นานหรืออยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะอันนี้เป็นหลักประกันที่ทําให้คนเรามีความสุขสดสุดเจิญได้ดีที่สุดเพราะว่าสามารถจะมีความสุขอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องดิ้นรนทําชั่วเพื่อที่จะมีเงินทองมากมายให้เป็นภาระาคนอย่างอาจารย์ปวดอึ้งผักกอเนี่ยนะ ซึ่งเนเป็นข้าราชการที่สื่อสาสุจริตมาก ท, ทั้งที่มีสติปัญญาเหนือคนทั่วไปมีความสำเร็จมากมายแต่ว่าก็สามารถจะอยู่แบบสมถะได้ก็เพราะว่าสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ไม่อิงวัตถุอาจจะเป็นความสุขจากการชื่นชมธรรมชาตนะิความสุขจากศิลปะดนตรี ซช่องอาจารย์ป่วยนี่ก็มีความสามารถในเรื่องนี้อยู่เป่าครุยเป็นต้นรวมทองความสุขจากชีวิตที่เรียนง่ายมันจะเป็นเสาหลักที่พิงเสาพิงให้คนเราเนี่ยสามารถจัดระงตนมั่นคงอยู่ในความดีนะหรือว่าถ้าทํายิ่งกว่า น, นั้นคือว่าออกจากเพศคารวะมาเป็นนักบวชหรือเป็นนักปฏิบททัติธรรมก็ยิ่งต้องอาศัยความสุขทางใจความสุขจาก อาชีวิตที่เรียบง่ายความสุขจากสมาธิภาวนา น, นี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เ, ยเมื่อเรามีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกอิจฉาใครต่อใครที่เข า, าเพลิดเพลินกับชีวิตทั้งโลกเลยสมัยตอนที่บวชใหม่ๆเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยแลก ก็มีเป็นช่วงที่บวชบวชบวชพระภาคฤ ด, ดูร้อนนะมีนามเมษาก็มีหลายคนมาบวชที่วัดสนามในประมาณสักสองสามอาทิตย์เสร็จแล้วพอถึงวันศึกนะเขาก็ลาศิกขากันไปเห็นเขาลาศิกขาแล้วก็รู้สึกอยากจะรู้สึกอิจฉาเขาเห็นเขาศึกเขาอยากก็รู้สึกอิจฉาเขาทำไมถึงอยาก ทำไม อ, อิจฉาเขาก็เพราะว่าเรายังไม่พบความสุขนะจากการบวชรู้ว่าเขาสึกเวลานี้เขาก็จะไปเที่ยวไปเล่นไปดูหนังให้เราก็อยากจะสัมผัสกับความสุขแบบนั้นบ้างจิตใจก็วันไหวนะเวลาเห็นคนสึกแต่พอบวชเป็นสักระยะหนึ่งนะเห็นคนสึกก็เฉย เพราะว่าไม่ได้อิจฉาเขาละบางทีสงสารเขาที่ซ้ำนะว่าเขามีเวลาบวชได้ไม่นานสงสารเขาที่เขาต้องไปเจอกับชีวิตที่ร้อนแรงแม้ว่าจะมีความสนุกแต่ว่าก็เต็มไปได้วยความทุกข์ากบางทีสิ่งหนึ่งที่จะวัดได้ว่าเรามีความสุขกับชีวิตของนักบวชหรือไม่ก็ดูจากการที่เมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยเขาศึกไป เราก็เฉยเฉยเห็นใจเขาด้วยหรือถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่จะชี้ว่าเราเนี่ยมีความสุขกับชีชนักชีชนักปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็คือตอนที่เห็นคนหนึ่งเขากลับบ้านนะก็มาปฏิบัติได้สามวันหกวันเจ็วันหนึ่งเดือนเขากลับบ้านเราเห็นเขากลับไปเราก็เฉยเฉยนะไม่ได้อิจฉาเขาไม่ได้บ่นไววเลยนะไม่ได้รู้สึกอยากจะกลับอยากเขาหรือไม่ได้รู้สึกว่าเขาโชคดี เพรเขากลับไปแล้วนี่ฌานยังต้องทนอยู่อีกนานนั่นเนี่ยถ้าเรายังมีความสุกแบบนี้ก็แสงว่ายัางไม่ได้สัมผัสกับความสุขจากการปฏิบัตินะยังไม่ได้สัมผัสกับเนคขมมะสุขอ่ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะก็ขอให้ทำความเพียรต่อไปในคขมมะสุขนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่อ่าสัมผัสได้ง่ายหรือว่าสัมผัสได้ทันที มันต้องอาศัยการทำความเพียรควบคู่กับการปรับตัวปรับใจด้วยบางทีนะั่นเราก็รู้นะว่าเนคขมมะเนี่ยมันดีมีประโยชน์แต่ว่าถ้าใจยังไม่ได้สัมผัสกับเนคขมมะสุกเนี่ยมันก็ยังวันไหวจิตใจไม่มั่นคงพระพุทธเจ้าเคยตัดไ้อีกตอนหนึ่งว่า เมื่อเราย่งเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตัดสรู้เนี่ยแม้จะมีปัญญาเห็นว่าเนคขมมะสุเนี่ยเป็นสิ่งดีบัะเสกกามะสุแต่ว่าใจยังไม่เลื่อมใสใจยังไม่โน้นตามใจยังไม่ตั้งมั่นในเนคขมมะทั้งที่เห็นโทษของกามันนะและทั้งที่เห็นว่าเนคขมมะเนี่ยเป็นของดี ต่อเมื่อใจิตใจได้สัมผัสกับอนิสงค์ของเนคัมมะเมื่อนั้นแหละใจจึงเริ่อมใส่ใจจึงน้อนตามใจจึงตั้งมัน่นอันนี้ก็เรียกว่าสมองกับหัวใจนี่ไปด้วยกันละกลมกืนกันละทีแรกเนี่ยก็เพียงก็รู้ว่าเนคัมมะนี่ดีนะแต่ใ จ, ใจยังไม่ไปไงอย่างที่พูดเมื่อวานอันนี้เป็นปัญหาของคนทั่วไปเลย สมองกับหัวใจไปคนละทางความคิดกับความรู้สึกมันไม่ได้กลมเกลื่อนกันสมองบอกว่านน่ข ม, มดัดดีแต่ใจมันไม่เอาอ่ะใจมันจะเอากามอ่ะตอเมื่อได้บาเพ็ญเพียรได้ปฏิบัติกล่อมกล่าวจิตใจด้วยอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาหรือว่าการบาเพ็ญทางจิตทางปัญญาจนกระทั่งได้สัมพันกับความสุขความสงบ จากชีวิตที่เรียบง่ายจากเนคขมมะถึงตอนนั้นก็เรียกว่าใจก็ไปแล้วน้อมใจเลื่อมใสสามารถจะหันหลังให้กับอาการมาสุขได้อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราพึงให้ความใส่ใจถ้าต้องการที่จะ อ, อยู่ในเพศพรหมจันท ร, ร์อย่างมีอย่างมีประโยชน์มีความหมายแล้วก็อยู่ได้อย่างต่อนเนื่อง หรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเ น, นื่องหรือแม้กระทั่งจะไม่เป็นนักปฏิบัติทางวัฏตาแต่ต้องการเพียงแค่เป็นคนดีมีศีล น, นะไม่เบียดเบียนใครเนี่ยให้ความสุขทางใจเนี่ยสำคัญมากที่จะหล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยครองเพศ พ, พรมจรรันทร์สามารถจ ะ, ะมั่นคงในการปฏิบัติได้อย่างต่อเ น, นื่องหรือว่าสามารถที่จะทำความดีได้โดยที่ไม่ พ่ายแพ้ต่อกิเลสไม่พายแพ้ต่อความชั่วอ้าวชานี้ก็พูดกับท่านนี้อับครับ